ทีนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราขาดผู้ที่แนะนำเนี่ยไปไม่ถูกเพราะว่าสติปัญญาแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายนะคนที่รู้จริงๆก็คืออาศัยรู้ต่อๆกันมาสืบทอดกันมาแต่เมื่อคนที่สืบทอดขาดช่วงเอาเรื่องเหมือนกันนะเราต้องมางมกันใหม่นะ่ะ เพราะว่าคนที่ที่รู้จริงๆขาดช่วงหรือรู้ไปทางอื่นซะแล้วรู้ไปนอกทางซะแล้วอย่างนี้โอ้โหโลกนี้วิบัติเหมือนกันนะเพราะทางที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จริงนะมีแต่รู้ผิดๆรู้ไม่ตรงนะก็แย่เหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ย การปฏิบัติธรรมก็ลาบรื่นเพราะเรารู้เนี่ยว่าอ๋อจิตออกไปไม่ได้ถ้าเราจะให้กิเลสเราผอมนะอุดอย่างเดียวอุดแล้วยังไม่พอนะเอาจิตมาพิจารณาตัวให้แจ้งมันมันเป็นการกระทําครั้งเดียวกันนะอุดตรงนั้นแจ้งตรงนี้แต่อุดอย่างเดียวไม่อยู่นะอุดอย่างเดียวถ้าไม่ทําให้แจ้งนะมันมันไม่ไปคือคือมันมันก้าวหน้าไม่ได้ เราไม่ให้ถอยหลังแต่เราไม่เดินหน้าก็ไม่ได้เราไม่ให้ถอยหลังด้วยเราก็ดอกก้าวไปข้างหน้าด้วยก็คือลุกล้ำหรือว่าลุกไล่ต่อการที่ไม่ลูกไม่เห็นตัวเราเนี่ยให้แจ้งขึ้นมาโดยการอบรมให้แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจิตข้างนอกก็อุดไว้ข้างในก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเพื่อจะอุดทางโน้นก็เลิศเดินไล่ทางนี้ให้ความมืดให้สิ้นไปโดยการอบรม อย่างนี้แหละทำให้องค์ของพ่ชงเจ็ดเราจะสบายเลยเป็นอันว่าพิจารณาตัวเราได้ทุกหมดนะเห็นไมสติปะทานสี่ก็ได้นะอ่ะมีแล้วสัมมาปะทานสี่ก็มีอินสีห้าก็ได้ก็คือการทำทั้งหมดเนี่ยอินสีห้าคืออะไรศร <c oughs> ัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาศรัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากการฟังทำสุดปรุษก็เกิดศรัทธาอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อศรัทธาก็มีโยนิโสเมื่อยโยนิโสมีสติปัฏฐานสี่ก็มีและศรัทธาตรงนี้ก็คือศรัทธาที่เราเชื่อหรือเราเลื่อมใสเราฟังทำรม่เชื่อก่อความที่เขาแสดงบุคคลผู้รู้แสดงทำมาเป็นอันว่าศรัทธาเราก็เกิดขึ้นก็คือศรัทธา อินรีอัศธาพละนั่นเองอินสีห้าพละห้านั่นเองสัทธาวิริยะวิริยะก็คือสมประทานสี่ที่กล่าวนั่นเองอเมื่อมีวิริยะสติที่เราจดจอ่อหรือการกระทําทั้งหมดต้องใช้สติอยู่แล้วก็เป็นสติประฐานสี่นั่นเองอสติประทานสี่นั่นเองแล้วสติประทานสี่นั่นเอง ทําทให้เราเกิดสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิการตั้งมั่นของจิตก็เกิดคือสมาธิสัมโพชงนั่นเองก็เป็นสมาธิของอินทรีห้าพระหานี้ด้วยปัญญาคือการรอบรู้ก็รู้อย่างที่บอกแล้รู้รู้วิชาทําให้วิชาเกิดวิมุติเกิดนั่นเองก็เป็นอันว่าเราอบรมอินทรีห้าพระหานี่ไปในตัวแทบว่าทำทุกหมวดเนี่ยประชุมลงตรงนี้ อิทธิบาทสี่ก็เหมือนกันชันทะก็จะลมลงตรงนี้อ่าชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะคือความพอใจอ่าที่ว่าบอกว่าทําไปทําไปกําลังใจก็เกิดมันจะมีชันทะขึ้นมานะที่แรกชันทะเขาเราจะฟืนหน่อยแต่ต่อไปเครื่องมันติดแล้วเราเดินทางหรือว่าการกระทําของเรามีผลเนี่ยมันติดใจมันก็อยากจะทําขึ้นมาชันทะเราก็เกิดอ่าพิสูจนทั้งหลายยังชันทะให้เกิด ที่ไม่เกิดยังให้เกิดที่ประเกิดไว้ประคองไว้ยังฉันท่าให้เกิดประคองจิตตั้งไว้เจริญสติปัฏฐานสี่เถิดอ่าเาเรียกว่ายังฉันท่าให้เกิดประคองจิตตั้งไว้แล้วก็ดำเนินจิตไปตามมรขาอันนี้ฉะนั้นฉันทาก็เกิดวิริยะเราก็เกิดจิตตะการจดจ่อทุกขบวนการของการไปของจิตก็เกิดวิมังสาการไข้ควรก็เกิดก็กลายเป็นวอิทธิบาท4ี่นี้เราจะมีหมดเลย การที่เรามาทำอย่างนี้เท่ากับว่าททำทุกหมวดประชุมลทั้งนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมของสติปัฏฐานสี่นั่นเองทำทุกหมวดเกิดแล้วเห็นธรรมที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในตนเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็เป็นอันว่าดำเนินอยู่แล้วความจริงเลยมากอย่างนะแต่ดไูไม่มากนะ แต่เราแจกแจงแล้วมันมากจยางเองอ่าที่บอกว่าเอาจิตมาพิจารณากายเพพิจารณาเป็นยังไงทุกอย่างประชุมตรงนี้อย่างเดียวแต่เราแยกแล้วโอ้โหหลายแผนกหลายแขนงเลยฉะนั้นหมวดทำหมวดเดียวสามารถจะเป็นทุกหมวดได้ไม่ใช่ว่าทําทุกหมวดเนี่ยเราจะเลินทุกอย่างเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่ได้มันคือเราจับไม่ถูกนะไม่รู้จะทําหมวดไหนแล้วประชุมลงได้อย่างไร แต่การทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำอย่างทุกหมดในตัวมันเองเมื่อเราพิจารณาร่างกายอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวัน กลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างชั้นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนหมายถึงว่าทํากลางวันเช่นไรให้ทํากลางคืนอย่างนั้นด้วยนะเวลาทากลางคืนอย่างไรให้ทํากลางวันด้วยอย่างนั้นด้วยนะ อันนี้เขาเรียกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังชั้นนั้นเบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าอย่างนั้นคืออะไรเมื่อวานนี้ทำอย่างไรวันนี้ทำแบบนั้นนะวันนี้ทำอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทำแบบนี้นะนั่นเขาเรียกว่าเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังชั้นนั้นเบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าชั้นนั้น เบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างชั้นนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนชั้นนั้นคืออะไรเบื้องบนคือตั้งแต่ศีรษะลงมาเบื้องล่างถึงแต่ปลายเท้าลงไปเบื้องเบื้องบนตั้งแต่ศีรษะลงไปเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาเบื้องล่างเบื้องบเบื้องบงอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้น อย่างนี้ชื่อว่าเจริญอิทธิบาทสี่สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานนสังขารสมาธิใดที่อาศัยชันทะเกิดขึ้น <c oughs> การเจริญอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันฉันทะนั้นทำให้นํามาซึ่งฉันสมาธิเรียกว่า ฉันทะสมาธิประทานสังขารฉันทะวิริยะเกิดขึ้นวิริยะใดทำแล้วความเพียรที่ทุ่มเทในสมาทานสี่เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาด้วยวิริยะนั้นๆสมาธิที่เกิดนั้นๆด้วยวิริยะนั้นเรียกว่าฉันทะไอวิริยะสมาธิประานนสังขาร จิตจดจอ่อการกระทำของตัวเองอยู่ทุกเมื่อจิตคิดคิดอะไรก็รู้เหตุรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือในจิตเหล่านั้นแล้วจิตจดจอ่อลุขบวนการของการทำของจิตนั้นไปดำเนินไปตามมรขาที่ถูกต้องก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นการที่จิตตั้งมั่นอย่างไรด้วยจะเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นอาศัยจิตนั่นเองกายประบาจิตตสมาธิประธา น, นสังขารก็เกิดขึ้น การคควรด้วยปัญญาว่นนี้อย่างนี้นี้อย่าง น, น, างนี้นี้มีสิ่งนี้ถึงมีการให้การเจริญการเจริญในสิ่งนี้เพราะมีอาหารสิ่งนี้สิ่งนี้ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารเพราะสิ่งนี้การคข้ควรด้วยหมวดธรรมต่างๆการตรึกตรองด้วยปัญญาที่ถูกต้องในอิสรทแล้วก่อให้เกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิใดตั้งมั่นโดยการคควรนั้นวิบังสาสมาธิประทานอสังขารก็เกิดขึ้น ก็กลายเป็นอิทธิบาทสี่อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นว่าอิทธิบาทสก็ก่อให้เกิดความเจริญขึ้นมานั่นเองอันนี้แหละที่เราว่าสาธุชนทั้งหลายว่าเป็นว่าทำทุกหมวดสามสิบประการเราอบรมอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมของเราก็โดยชอบเป็นไปด้วยความราบรื่นต่อสู้อย่างมีหลักอย่างนี้ที่เรียกว่า ทำแล้วไม่เสียเวลาการกระทำของเราเนี่ยเป็นกันว่าทำแล้วมีผลทำแล้วไม่เสียเวลาไม่แวะข้างทางไม่หลงทางไปทางเส้นตรงการเข้าใส่ก็เข้าสู่การเป็นมรรคผลก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตการความหวังความเจิดจ้าของความเห็น จุดหมายปลายทางของเราก็เหมือนว่าดูเหมือนว่าลำไหลที่จะเห็นแววแห่งคันชัยชนะถ้าอย่างนั้นแล้ววิแววของการชัยชนะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรการสู้ไปแต่การมองเห็นวิแววของการชนะไม่มีแก่เราแล้วความมืดมนอนตรการก็เกิดขึ้นเราจะต่อสู้ไปทางทิศไหนไลทิศ ท, ทาง เราจะชนะเขาได้อย่างไรเล่าลองคิดตัวเถิดว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เสียเวลาก่อการเดินทางเวลาทั้งหมดเป็นสาระแก่นสารของการทำทีเดียวอันนี้หลยสาธาชนทั้งหลายว่าเรามาต่อสู้กับกิเลสต้องต่อสู้อย่างนี้เราต่อสู้อย่างชาญฉลาดแล้วก่อนเนื้อเนื้อไม่ใช่น้า มัวแต่ลงน้าอยู่นั่นแหละไปไหนไม่ได้แล้วก็หลงทางอยู่นั่นแหละเนื้อเนื้อก็คือไปอย่างนี้ตรงๆไม่ใช่ทางคดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้เกิดขึ้นแน่นอนเมื่ออบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกลางวั น, วนชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังชั้นนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างชั้นนั้นอยู่ทุกวัน ทุกอย่างก็คืบผ่านไปสู่จุดหมายเมื่อทำไปทาไปทาไปญาณทัศนะคือความรู้เห็นของเราก็เกิดขึ้นสว่างขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งร่างกายของเราก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะลุกลามไปมากขึ้นมากขึ้นธรรมะของพระพุทธองค์ก็ทรงปรากฏรพระองค์ที่ทรงสอนก็ปรากฏแก่เรา ปรากฏแก่เราขึ้นมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําทให้เกิดการศรัทธาเลื่อมใสามากขึ้นจากที่เราเริ่มศรัทธาปลามาบ้างแล้วก็ก่อเกิดการศรัทธาอย่างมโหสัมโหลานมหามหาสารมากขึ้นตามลําดับลําดับการวิ่งไปการแล่นไปของจิตนั้นก่อให้เกิดศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีเขาเรียกว่าเล่นไปตามศรัทธาศรัทธาเหล่านี้เกิดจากการที่เราอบรมอยู่ภายในนะฉะนั้นความศรัทธาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาแบบลอยๆทั่วไปเหมือนคนทั่วไป ศรัทธาเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่กั้นกรองมาจากจิตใจของเรากั้นออกมาเป็นความศรัทธาที่ความเชื่อเมื่อศรัทธาเมื่อก่อนอาศัยน้อยนิดเหมือนดวงไฟน้อยๆที่เราจุดขึ้นมาตอนนี้มันลุกใหญ่ขึ้นใหญ่โตกลายเป็นกองไฟกองใหญ่ที่จะมอดไหมกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงไฟน้อยๆที่เราประครบประงมขึ้นมานั่นเองดวงไฟน้อยๆ น, นั้นเริ่มก่อตัวที่จะมอดไหม ไล่กิเลสต่างๆให้ออกจากใจเหล่าก็เกิดขึ้นความศรัทธาก็จะทวีคูณขึ้นมาตามดวงไฟนั่นเองความศรัทธาที่ก่อเกิดขึ้นมานั่นเองเขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามศรัทธาเมื่อเราพิจารณาตัวเรานั่นแหละ ให้กว้างขวางใหญ่โตไพ่บู์พิญโยพาสอยู่เนืองนิดความเห็นความรู้ของเราก็จะทวีคูณขึ้นมามากตามลำดับลำดับก่อให้เกิดการศรัทธาอย่างมโหมโหลานขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้แล้วความศรัทธานั้นแก่กล้าขึ้นไปอีกแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นความศรัทธานี้ก็จะเบ่งบานผลิตผลออกมาอีกก็คือ ธรรมะทั้งหลายก็จะหลั่งไหลออกมาจากศรัตน์นั้นธรรมะทั้งหลายที่หลั่งไหลออกมาจากความศรัตน์นั้นศรัตน์นั้นก็จะบีบตัวเองให้เป็นธรรมะออกม า, าธรรมะก็จะหลั่งไหลออกมามากขึ้นมากขึ้นจากศรันุศาลีก็กลายเป็นธรรมานุศาลีเล่นไปตามธรรม แล่นไปตามศรัทธาก็กลายแล่นไปตามธรรมขึ้นหมายเขาเรียกว่าอย่างนี้แหละโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสพระยะเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นเห็นตัวเองขึ้นมาชัดเจนชัดเจนชัดเจนขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นลุกลามไปทั่วสรารพังร่างกายอาศัยไว้ประคองตั้งอยู่รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่เนืองนิด สัตเสบียงอาหารของกิเลสไม่ให้ได้ช่องกิเลสก็เริ่มผอมเราก็เริ่มอ้วนขึ้นมากุศลธรมทั้งหลายก็เริ่มอ้วนเริ่มโตเริ่มก่อตัวขึ้นมาสัทธานุสาลีก็เกิดทามานุสาลีก็เกิดขณะใดพิจารณาตัวเราเห็นความไม่เที่ยงจุดเรากว้างขวางใหญ่โตมากมายโอลานขึ้นมาพินโยพาดอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็น ร่างกายนี้ตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าเป็นของดุดฟองน้ำที่เป็นกลุ่มก้อนหาสาระแก่นสารในฟองน้ำหามีไหมเปรียบปรุงเปรียบปรุงประดุะดดังต้นกล้วยที่ก่อตัวกลาเป็นต้นผูกกันมัด ก, กันตัวเป็นต้นแต่ว่าบุคคลที่ฉลาดย่อมแกะ เปลือกหรือกาบกล้วยนั้นออกมาปรากฏว่าแกะไปแกะไปต้นกล้วยนั้นปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้ชั้นใดร่างกายนี้เราดูด้วยความแยบขายด้วยอุบายโยนิโสมนาสิการอยู่เนืองนิดก็ปรากฏว่าบุรุษได้มองความแยบขายนั้นปรากฏว่าร่างนี้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าเหมือนต้นกล้วย น, น, นั่นเองหาแก่นสารไม่ได้เป็นแต่ว่าอุปกรณ์น้อยใหญ่หรือ อวัยวะน้อยใหญ่ประกอบกันอยู่เท่านั้นกลายเป็นรูปร่างขึ้นมาแท้จริงแยกไปแยกมาหาแก่นสารอะไรไม่ได้กลายเป็นของว่างเปล่านั่นเองต้นกล้วยปรากฏไปความไม่มีแก่นสารชั้นใดร่างกายนี้ก็ปรากฏประความเป็นสารหามีไม่ชันนั้นบุคคลนั้นจะเกิดการพลิกผันขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นกลุ่มก้อ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงแต่บัดนี้ เราด้วยมองด้วยความเป็นอุบายที่แยบขายปรากฏเป็นของว่างเปล่าเสียอีกความรู้ความเข้าใจของเราจึงเปลี่ยนไปว่าเราไม่มีในร่างนี้ร่างนี้ไม่ใช่เราเราไม่มีอะไรในร่างนี้เลยร่างนี้เป็นเสียกศักแต่ว่าเป็นกลุ่มก้อนเ้าเรียกว่าเป็นคณะแต่หาสาระแก่นสารหามีไม่ในในกลุ่มก้อนนี้ จึงเกิดการละสากายิทธิขึ้นมาละวิจิกิจฉาหรือละสินละพัฒตาปรามาตจากธรรมานุสาลีก็กลายเป็นโสดาปฏิยังคะ่ะคือคุณธรรมของพระโสดาบันก็เกิดขึ้นที่แรกเนี่ยแล่นมาจากสัทธานุสาลีก่อนก็กลายเป็นจาก สถานุสาลีแก่กล้าขึ้นก็กลายเป็นธรรมานุสาลีเมื่อธรรมานุสาลีแก่กล้าก็กลายเป็นโสดาบันบุคคลก็เกิดขึ้นอันนี้แหละจึงเป็นที่มาของการละสังโยชน์หรือสังโยชนชิยธรรมสมอย่างก็เกิดขึ้นก็คือละสกายทิฐิคือร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่มีร่างกายร่างกายเป็นของว่างเปล่า หาแกนสารอะไรไม่ได้เลยการลาสกายยติก็คือละได้ตรงนี้ก็คือเห็นร่างกายไม่ใช่ของเรานั่นเองถ้าไม่งั้นเป็นโสดาบันไม่ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าโสตาปฏิยังฆะก็คือธรรมของคุณธรรมของโสดาบันปรากฏว่าสิบข้อละได้สามข้อแต่สามข้อเนี่ย ข้อสกายะเป็นข้อใหญ่สุดละศีลพัฒตะปลามาศเขาเรียกว่าละศีลพลดศีลแปลว่าตบะหรือข้อวัดของของการกระทํานั้นๆสมัยก่อนเนี่ยมีตบะมีหลายลทัทธินะแบมเพ น, นตบะกันหลายอย่างเขาเรียกว่าศีลพลดศีลก็คือการทำปกติของตบะ พศก็คือนักพจนักบวชเน่พัตตะแปลว่าพศนะศีลและพัฒตะปรามาศเขาเรียกว่าศีพลพตปลามาศแปลว่าผิดนะ่สรุปแล้วก็คือศีลแพัฒตะปลามาศแปลว่าประพฤติปฏิบัติแบบผิดิดกๆนะ่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าการกระทำของเราถูกต้องเมื่อก่อนนี่ลองอย่างโน้นลองอย่าง น, น, องอางนี้สำนักนั่นสอนอา้าลองดูไปแล้วก็แล้วกันกลับมาก็เกาหัวเหมือนเดิม ละไม่ได้อนโน่นก็นสอนก็นเอาเฮกันไปเฮกันมาเฮไปเฮมาสุดท้ายก็ควาน้าเหลวยังไงก็ไม่เป็นยังไงเพราะไม่เข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าเล่ร่อนไปทุกที่ทุกทางนั่นเขาเรียกว่าสินละพัตนปรามาสอยู่เขาเรียกว่าสินพศไม่แน่นอนน่สินพกของเราไม่แน่นอนถือผิดถือถูกใครสอนอยังไงก็เอา ใครบอกว่าดีเอาแต่มาบัดนี้ลองพิธีนี้ทำวิธีนี้ขึ้นมามั่นใจว่าวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาเลยแล้วก็มั่นใจว่าวิธีนี้เท่านั้นทำให้ความถูกต้องเกิดขึ้นไม่เห็นว่าวิธีอื่นจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วจึงเกิดการมั่นใจในข้อวัดของตนว่าตนที่เองตัวเองทามานี้เป็นทางถูกต้องนอกเหนือนั้นจะไม่มีทางถูกต้องเลย จึงละทางเส้นอื่นเสือมุ่งทางเส้นนี้อย่างเดียว <c oughs> ฉันมากไม่อยได้เหมือนกันรับรับประเคงรับประเคงยกยกลบชันมากก็ของน้ําบ่อยอต่งางประเทศ บัตรนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่สงสัยในทางแล้วตอนนี้ไปไม่ลองทางอื่นแล้วลองมาหมดแล้วคือไม่ลองนี่หมายถึงว่าลองมาหมดแล้วนะคือคือไม่ได้ผลแต่ลองวิธีนี้มั่นใจเลยว่าผลเกิดแน่คือตรงนี้จะไม่เอาทางอื่นเลยเพราะไม่เห็นทางอื่นจะดีกว่านี้<ม>เขาเรียกว่ า, ล ะ, ล, ะรระาละสินพัตรปรามาตละสินพศที่ผิดเสียนั่นเอง มั่นใจในสินพจน์ของตนว่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มาเจอเชนทางทางเส้นธิปะเออมาเจอทางที่ถูกต้องแล้วเพราะผลที่วัดออกมาแต่ละลําดับลําดับตั้งแต่โนู้นมาพิจารณาตั้งแต่น่นมาจนถึงว่าศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีจนถึงมาตรงนี้เนี่ยมันมากพอที่จะสรุปได้ว่าหนทางที่ปฏิบัติมาและสิ่งที่ปฏิบัติมาก่อให้เกิดผลตามลําดับมานี้ มั่นใจว่าปฏิปทาที่ดําเนินอยู่เป็นความถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าละสินพรดอ่ิละพัตตะปลามาศปลามาศแปลว่าผิดนะสินพลดผิดผิดทุกทุกอ่ะผิ ด, ผ, ด, ผ, ดผิดนั่นเนี่ยปลามาศแปลว่าผิดเนะี่ยตอนนี้มั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็ละอย่างอื่นแล้วไม่เอาละเอาอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็มั่นใจทางเส้นนี้ว่า มีวีว่แววของการถูกต้องและก็มองถึงความชัยชนะออกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าศิลรพัตนาปรามาตรเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อศิลรพัฒนาประมาตรแน่นอนไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วความสงสัยว่านั่นใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางแล้วก็ไม่สงสัยว่าทางนี้จะเป็นทางที่ผิดหมดความสงสัย มั่นใจทางของตนเนี้ว่าทางนี้ถูกต้องไม่สงสัยทางเส้นอื่นว่าจะถูกต้องเหมือนดังนี้ทำให้ละสังโยชน์สามได้นั่นแหละเขาเรียกว่าโสดาบัน อันนี้แหละโซดาบันก็เกิดได้อย่างนี้นะเพราะโซดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งมากนะแจ้งมากมากแต่ไม่ถึงร้อยเปรซประมาณ60สิเจซซึ่งน้ําหนักเนี่ยเอียงไปทางเห็นเนี่ยมากกว่าเหมือนน้าหนักเจ็สิบกิโลกับข้างหนึ่งเนี่ยสามสิบกิโลท่านยังไงยังไง30มสกิโเนี่ยจะดึงเจ็สกิโลให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ แต่เจ็สิบกิโลเนี่ยค่วงให้สามสิบกิโลนี้ลอยได้สบายฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสื่อมเพราะน้ำหนักสมาธิสูงกว่าที่ล่วไหลเนี่ยนิดเดียวน้อยมากจึงไม่สามารถจะขานน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลนั้นได้จึงเป็นผู้ไม่ตกตำ่ำเอเราถึงหรื อ, อยังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝุ่นเลยเนาะ โอ้เมื่อไร่หนอเมื่อไรเนอะแต่ไม่ทํานะก็เมื่อไหรเนอะอยู่นั่นแหละนะถ้าไม่ทําก็เมื่อไรนออนนนะไเไรนาะอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ได้ต้องทํานะนี่ละเอียดนะบอกหมดเลยนะไม่มีกํามือเลยนะแบมือให้เลยให้หมด กว่าจะเป็นโสดาบันต้องฐานสัทธานุสารีธรรมานุสาลีก่อนนะน้องใหม่ว่าที่กว่าจะติดในร้อยได้ต้องว่าที่ก่อนมาหลายปีมัจะก้าวขึ้นโสดาบันเลยไม่ได้มาจากโน้นสัทธาแล่นมาแล่นมาส่งไม้ให้ธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีส่งไม้ให้โสดาบันโสดาบันจะส่งไม้ให้ สกิทาคาไดอนาคาจนถึงพระาราหันนุ่นเนี่ยต่อเราเป็นไปนยอดยอดไปต่อเป็นทอดทอดไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นพรญาเจ้าไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่าสากายะน่ะถ้ากรรมฐานใดไม่มีการพิจารณากายเลยเนี่ยคาว่าสากายะจะมีได้อย่างไร ทำแตสมาธิด้านเดียวไม่ได้พิจารณากายเลยคําว่าสกายะจะมีไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยว่ากรรมฐานไม่ได้พิจารณากายแต่จะมีสกายะขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะปลูกมะม่วงผลออกมาจะเป็นขนุนมันเป็นไปไม่ได้มันพละสายพันธุ์น่ะเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าไม่มีการพิจารณาร่างกายจะมีสักายะทิดิได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ นอกจากว่าเมื่อพิจารณาร่างกายมาพิจารณากรรมดันห้าถึงจะเห็นร่างกายเมื่อเพนพิจารณาร่างกายถึงจะละสักกายะมันเป็นอันเดียวกันน่ะเป็นไปได้ว่าเราปลูกเม็ดมะม่วงต้นออกมาก็เป็นมะม่วงต้นมันโตก็กลายเป็นลูกมะม่วงได้เป็นไปได้ว่าเราพิจารณากรรมดันห้ากระทำให้การพิจารณากายนะ้เติบโต เมื่อพิจารณาการติบโตก็เป็นไปได้ที่จะละสกายะมันเป็นทางเส้นเดียวกันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราไม่พิจารณาร่างกายเลยเราจะสู่พระสุดาบรรได้อย่างไรสกายะก็มันมีมีสิจะมีได้อย่างไรเล่าขึ้นต้นเป็นอย่างหนึ่งตายจะให้เป็นอย่างหนึ่งได้อย่างไร เราปลูกขนุนจะเป็นมะม่วงได้ยังไงปลูกมะม่วงจะเป็นขนุนได้ยังไงมันก็เป็นคนละสายพันกันปลูกอย่างไหนมันก็ได้อย่างนั้นสิเราพิจารณากายก็ต้องมีสกายะทีเราไม่พิจารณากายสกายะจะมีได้ยงไงเมื่อไม่มีสกายะเป็นโซดาบัลจะบีได้ยังไงลองคิดดูสิมีไม่ได้ เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยจึงจําเป็นมากเลยบางคนบอกโอ้ยอะไรมาแล้วหลวงพ่อองค์นี้มาเมื่อไหร่ก็พิจารณากายอยู่นั่นแหละก็เรามีกายกัดใจนจะเอาอะไรเราก็มันมีสองอย่างเอาใจมาพิจาริก็จบแล้วถ้าปล่อยใจไปก็เรื่องยาวเลยทีนี้น่าเบื่อแล้วกันเออเบื่อก็ไม่เป็นสกายะที่ ขอให้เบื่อจริงเถิดเห็นแจ้งซะไม่เห็นเลยมันน่าเบื่อเห็นแล้วมันเบื่อแล้วก็จะได้ละสังโยชน์ได้ถ้าเบื่อใครเบื่อก็มาหลานห้าคนนั้นเบื่อพระโสดาบันเลยไม่เป็นเลยว่างั้นเถอะเป็นไม่ได้หรอกไม่มีทางได้บางคนบอกเอาเส้นอื่นก็ได้ลองดูเถอะลองไปดูสิเส้นนี้ตรงที่สุดแล้วไม่อ้อมเลย อย่างอย่างอธิบายให้ฟังนูน่นมาแต่จะอวิชานุอนอะไรมา่ะอะไรเป็นอาหารแก้กันแลกกันก็คงไ ม, ม่อาธิบายต่อนะเพราะอธิบายหลายรอบแล้วมันเป็นอาหารซึ่งกันและกันเป็นทอดทอดทอดทอเน่ยเราต้องตัดสเสบียงลําเลียงมันเสบียงสเสบียงอาหารตัดเท่านั้นแหละกิเลสมันต้องผอมคือเราจะสู้เขาโดยที่ต้องเอาตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไม่ได้ เราต้องมีการทำสงครามทุกรูปแบบสู้อย่างเดียวก็สู้ตัดสเสบียงก็เอาอีกฆ่าศึกนะ่ะกองทัพเดินด้วยท้องนะ่ะมันไม่มีสเสบียงอาหารเนี่ยมันก็ผอมเท่านั้นแหละไม่ลบก็าตายอยู่แล้วนะ่ะลบก็าตายไม่ลบก็าตายมันมันไม่มีอาหารนี่ยฉะนั้นการที่เราจะสู้กิเลสต้องตัดสเสบียงอาหารขาก่อนสิตัดด้วยสู้ด้วยไม่ตัดเลยสู้อย่างเดียวเนี่ย สู้เขาได้เลยมันก็เหมือนกองทัพภายนอกนี่แหละเพราะเราไม่ฉลาดเลยอะเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างถูกต้องเลยมันจะได้หรือไม่ได้สิน่ะไม่ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องทำถูกต้องนะถึงจะได้ก็ถูกต้องดังที่บายมานิดเองเมื่อบุคคลนั้นได้อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วเนี่ย คนนั้นก็สู่นำไปสู่การเป็นพระยะเจ้าได้ก็คือโสดาบันแล้วก็ทำต่อไปอีกพิจารณาร่างกายต่อไปอีกใครบอกว่าโอ้เบื่อแล้วไม่ต้องพิจารณาแล้วไม่ได้นะโยมเป็นพระยาเจ้าไม่ได้นะและสกายยะทิฐินี่เองจะแก่ตัวขึ้นไปตัวแต่ตัวขึ้นไปเนี๋ยมันจะละลาคะได้ละโทสะได้ เพราะว่าราคะดับด้วยอสุภะนี่เองก็การที่เห็นตัวเองไม่ใช่ตัวตัวเองไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี้ทําให้การมราคะก็าละได้เมื่อการมราคะละได้โทสะก็าละได้เพราะมันเป็นเพื่อนกัน ทีนี้ว่าเรากะว่าจะทําให้การละสังโยชน์นี้ยิ่งย่งขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเมื่อเราทําตรงนี้ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปอ่าเขาเรียกว่าละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเนี่ย ถ้าเราเห็นตัวเองชัดแจ้งขึ้นไปอีกน่นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละความเบาบางที่เราละส ก, กายยติธิเนี่ยแต่ละแบบหยาบกับละแบบบางขึ้นบางขึ้นแต่สามอย่างเหมือนกันแต่บางหมายถึงละเอียดขึ้นน่ะคนนั้นก็จะเป็นพระสกิทาคามอีอ่า Ahem. <clears throat> นั้นก็จะเป็นพระสกังกิทาคามีนะก็คือเป็นผู้บางกว่าพระโสดาบันเมื่อบางเข้าไปบางเข้าไปเนี่ยก็เป็นพระสกิทาคามีได้ก็เป็นอันว่าละสังโยชน์สามนั่นแนหะแต่สังโยชน์สามอย่างละเอียดก็ทําให้การละการวางของสังโยชน์ก็เกิดขึ้น ที่นี้พระโสดาบันเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ามีสามอย่างเขาเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยอย่างอย่างดีเขาเรียกว่ามีเกต ด, ดีเกตกลางเกตปานกลางแล้วก็เกตต่ําเพราะว่าสติปัญญาที่คนทํานะจริตนิสัยต่างกัน ภาษาวัะ ส, ะะสะดาบันเนี่ยอย่างดีปัญญาดีเลิศเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนเรียนหนังสือชั้นเดียวกันแต่คะแนนดีกว่าเขาแต่ห้องเดียวกันนะเ<ม>กรดดีเนี่ยเขาเรียกว่าเอกพีซีเอกพีซีแปลว่าอะไรเอกแปลว่านหนึ่ง พีศีแปลว่าพืชพี PC หรือพีชะแปลว่าพืชรวมความแล้วก็คือผู้มีพืชหนึ่งเดียวอะไรคือพืชหนึ่งเดียวท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนกับว่าต้องเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้น พืชหมายถึงว่าเกิดขึ้นเหมือนกับเมล็ดพืชเนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวคือเอกพีซีเนี่ยเป็นผู้มีพบชาติเหลือชาติเดียวเก่งมากหัวหัวดีหน่อยคือฉลาดคนที่มีปัญญามากถือว่าพระอ๋อโสดาบันเกต ด, ดีเขาเรียกว่าเอกพีซีผู้ที่จะกลับมาโลกนี้ ครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าเอกพีซเอกพื้เอกก็เป็นหนึ่งบบพีซแปลว่าพืชผู้มีพืชที่จะงอกครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นจะว่างั้นเถ อ, อะเขาเรียกว่าอเขาเรียกว่าประเภทที่เลิศประเภทกลางๆลางเขาเรียกว่า โกลังโกละโกลังโกละแปลว่าตระกูลสู่ตระกูลตระกูลสู่ตระกูลคือจะต้องเกิดสามชาติกลางๆในสามชาตินะแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็เยว่าสตะขัดตุงประมะ เจ็ดชาติบวยก็นหน่อยเจ็ดชาติฉะนั้นพระโดศรดบันก็เลยมีเกรดสามอย่างเหมือนนักเรียนชั้นเดียวกันแต่เรียนหนังสือต่างความสามารถกันแต่อยู่ในเกตดสดาบันเดียวกันนะแต่ว่าเกรดคะแนนได้เนี่ยต่างกันเราจะคะแนนไหนเนาะสงสัยจะบวยแน่เลย บุยก็เอาเนาะดีก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าสตักขตุงปรมะประเภทที่ทึบหน่อยแล้วก็กว่าจะไต่เต้าไปสู่สกิทาขาสกิทาคาเนี่ยกลับมาโลกนี้ครั้งเดียวเหมือนกันแสดงว่า เอ ก, กับสกีธาคานี้ใกล้เคียงกันมากเลยชั้นครั้งเดียวเป็นลองกันนิดเดียวเองหัวดีมากเขาเรียกว่าคนที่หัวดีก็คือคนปัญญามากคนปัญญามากนังได้คะแนนมากกว่าความสามารถจะมากกว่าดังนั้นต่างกันที่ปัญญานะปัญญาหลังที่จะเป็นหลังจากที่อบรมไปแจ้งไปแจ้งไปแจ้งไปเนี่ย เขาเรียกว่าจากถึงจะไปไต่เต้าเลยพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสกิทาขาแล้วสกิทาคาเนี่ยถึงจะเป็นพระนาคาที่หลังพระนาคามีเนี่ยห้าบุคคลซึ่งเกตต่ำไปลดลันกันห้าประเภทเลยเวลาเราพิจารณาร่างกายไปพิจารณาร่างกายไปเนี่ย เขาเรียกว่าเห็นแจ้งไปแจ้งไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสลังพังร่างกายอ่าร่างกายมากๆขึ้นไปมากๆขึ้นไปเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายย่อมหมดไปหมดไปเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยซ้ำซากเราก็เห็นความว่างเปล่า ว, ว่าหญิงไม่มีชายไม่มีมีแต่ร่างที่สดสดที่ไม่มีหญิงมมีชายความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายเกิดจาก กรรมจำแนกและกรรมจำแนกนี้เราก็เลยลงความเป็นหญิงเป็นชายกันแต่เบื้องหลังแล้วเราไปรู้แจ้งแล้วเบื้องล่างของกรรมจำแนกนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเกิดจากอภิชาณเองแท้จริงไม่มีใครเป็นอะไรจึงเห็นความเป็นหญิงเป็นชายเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ควรแก่ตนเป็นของที่นำโทษมาให้แล้วทุกโทษที่ตามมา มากกว่าที่จะรับไว้เขาเรียกว่าเป็นอาธินวะยาะญาณที่มองถึงความเป็นโทษเกิดขึ้นว่ า, าเป็นของที่น่ากลัวแล้วก็ตัวเองก็เห็นว่าเป็นของว่างเปล่าทาให้เกิดการละกามมาลาคะได้โทสะก็สิ้นไปก็กลายเป็นว่า จากโสดาบันมาสามแล้วนะพระนาคามีเติมอีกสองเป็นห้าสิบข้อเนี่ย <c oughs> ได้ครึ่งถังเขาเรียกว่าสิบ อ, อย่างได้ห้าอย่าง <c oughs> แล้วก็สิบอย่างนีแง้แบ่งเป็นสองสองประเภทเขาเรียกว่าเบื้องต่ำเบื้องสูงสังโยชน์หนึ่งถึงห้าแรกเนี่ยเบื้องต่ำ หกถึงสิบเนี่ยเบื้องสูงเบื้องบนเบื้องต่ำเขาเรียกว่าโอลัมพาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงเ็าเรียกว่าอุดทางภาคิยะสังโยชน <c oughs> ์เ <c oughs> มื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายก็ทำให้เราประยุติที่พระนาคามีาพระอนคามีเนี่ย ชะละความเป็นหญิงเป็นชายด้วยเด็ดขาดจะไม่หวนกลับไปสู่การมีหวนไม่ได้เพราะว่าความรู้เห็นมันแจ้งแจ้งเต็มร้อยอะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะร้อยเปอร์เซ็นตนี่เห็นตัวเองแจ้งมากแล้วความแจ้งนี่จะไม่ดับเลยร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ไม่เห็นทุกทุกขุมขนของเรานะหมายถึงทุกอนูเลยนะไม่เว้นสักอนูเดียว กว่าเราจะเห็นเล็บเนี่ยโหแทบตายกว่าจะรักษาได้กว่าจะเห็นได้จะลุกลามไปทีละอย่างเนี่ยโอ้โหเหือดขึ้นคอนะถ้าเห็นทุกอนูเนี่ยโอ้โหคงจะใช้ความสามารถมหาศาลทุกทุกขุมขนเลยทุกอนูเลยนะไม่เว้นแม้แต่บรมานูหนึ่งว่างั้นเถอะไม่งั้นไม่ว่าเห็นแจ้งไม่ได้คนนั้นจะเป็นพระอนาคามีเต็มร้อยบริบูรณ์เลยนะ จิตเราจะปิดชนิดเลยไม่มีการอ า, าอรั่วไหลเลยฉะนั้นอ <c oughs> อพระโสดาบันเนี่ยศีลจะดีมากแล้วพระพระพระอนาคามีเนี่ยสติจะดีมากแล้วพระอรหันเนี่ยสมาธิจะดีมากไปตามลําดับลําดับ ว่าด้วยสติว่าด้วยสมาธิว่าด้วยศรัทธาก็ลดหลั่นกันไปตามความสามารถแล้วพระสิกขาคาเเอพระอนาคาเนี่ยก็มีอยู่ห้าประเภทอย่างเกตดีที่สุดเขาเรียกว่าอันตราปริณภายีอันตราปริรปริพายีก็คือ เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยจะไปเกิดพร ม, มโลกเมื่อไปเกิดพร ม, มโลกปุ๊บเนี่ยก็บำเพ็ญบารมีต่อปรากฏว่าบรรุเพนระรหันโดยอายุไม่ถึงกึง่งไม่ถึงกึง่งเขาเรียกว่าอันตราปริภาญ แปลว่าอายุไม่ถึงกึ่งของของผมสุทาวาสนั่นแหละฉะนั้นผมก็มีหลายเกตพระนาคามีทั้งห้าเกตประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอายุไม่ถึงกึง่งก็บรรุเป็นพระหรหันถือว่าหัวดีสติปัญญาดีมากประเภทที่สองลองลงมาเขาเรียกว่าอุปหัจจะปรินิพพายี ผู้บรรลุที่อายุเลยกึ่งแล้วอ่าเลยกึ่งไปแล้วก็ช้าหน่อยอันที่สามเขาเรียกว่าอาสังขาระปนินพายีอสังขาระปนินพายีแปลว่าเป็นผู้บรรลุ หลังจากกึ่งไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าใช้เลี่ยวแรงไม่มากใช้การกระทําความเพียรไม่ไม่โหดเท่าไหร่ไม่ดุดันเท่าไหร่ก็บรรลุ mm. เขาเรียกว่าการใช้ความเพียรไม่สบายสบายว่ากันเถอะ mm. เขาเรียกว่าอสังขาระปนิพภาณี mm. ประเภทที่สามเดี๋ยวประเภทที่สี่ ประเภทที่สามก็คือว่ า, าใช้ความเพียรอย่างสบายๆก็บรรลุประเภทที่สี่เนี่ยอสังขาระปรนิพพายีใช้เร็วแรงมากความเพียรค่อนข้างจะหนักถึงจะบรรลุได้บรรลุในในในในภมรโลก <c oughs> เขาเรียกว่าบรรลุในพร ม, มโลกก็คงจะหลายปีนะแลก็หลายหลายชั่วพรมเขาเรียกว่ า, าผมองค์แรกเนี่ยไม่ถึงกึ่งบรรลุผมที่สองเนี่ยเลยกึ่งไปหน่อยองค์ที่สามเนี่ยทำไปอย่างสบายสบายองที่สี่เนี่ยทําอย่างรุนแรงเลยถึงจะบรรลุทาค่อยๆไม่ได้ทําโหดหน่อย องค์ที่ห้าเนี่ยอุปหัต จ, จะเออไม่ใช่อุทังโสโตโอะกานิทะคามีอุทงังเป็นผู้เขาเรียกว่าอุทังโสโตโอากานิทะคามีอุทังโสโตโอากานิทะคามี เป็นผู้ที่จะบรรลุได้เนี่ยต้องท่องเที่ยวไปทุกชั้นหมายถึงว่าสุท้าว่าห้าชั้นเนี่ยทั่วเลยอ่ไปทั่วเลยหมายถึงว่าชั้นนี้หมดอายุแล้วไปอยู่ชั้นนี้อ่าตัวเองอยู่ชั้นที่ห้าเนี่ยขึ้นไปชั้นที่สี่ขึ้นที่สามที่สองที่หนึ่งทั่วเลยเขาเรียกว่าตเวนอยู่ในห้าชั้นครบทุกชั้นเลย ถึงจะบรรลุเราดูดดเกรดนะดูความความที่สติปัญญาคนต่างกันน ะ, ะก็เลยว่าบรรลุช้ากว่าคนอื่นพมองอื่นอันนี้เ็าเรียกว่าสุทาวาททั้งห้าคือสุทาวาทไม่มีห้าชั้นนะ าการนิทะสุรัศสาสุร ศ, ศีมหาภลาก็คือมีมีมีมีห้าชั้นองค์นี้ตะเวนห้าชั้นเลยนะและถึงจะบรรลกุก็คือไปเกิดไปหมดห้าชั้นเลยอันนี้แหละถึงต้องบอกว่าการที่เราจะละสังโย์ได้ตามลำดับลำดับลำดับ จะต้องมีาการการผ่านอุปสรรคมากน้อยต่างกันไปต่างกันไปต่างกันไปแล้วแต่สติปัญญาของใครจะดีหรือไม่ดีหมายก็เรียนหนังสือน่ะถ้าดีน่อยก็เรียนรัดหน่อยเรียนเร็วหน่อยเกตดีเร็เรวอ่อก็ขาเรียก ว, ว่าหัวไม่ค่อยดีหน่อยก็เรียนช้าหน่อยจบช้าหน่อย มัวแต่อะไรไม่รู้ก็คือสติปัญญาคนต่างกันนะอันนี้ก็เราอยู่ประเภทไหนก็ลองดูก็แล้วกันนะคงจะบววอยู่เลยนะมัง้ง <c oughs> คง <c oughs> บววก็เอาเนาะดีกว่าไม่ได้มันจะไม่ได้สักอย่างสิขี้เกียจไม่ได้นะกระดาษผ้านาคามียังทนเอยยังลงอมเพียนมหาศาลแล้วนะ อันนี้ก็คือว่าอยู่ที่สติปัญญาของคนเหมือนกันว่าเราทำไปเนี่ยความฉลาดแหลมลึกในต่างกันไปลดหลั่นชั้นเชิงกันไปก็เกิดผลต่างกันไปแล้วเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติก็ลุดหน้าขึ้นไปลุดหน้าขึ้นไปลุดหน้าขึ้นไปหลังจากการพิจารณาตัวของเราจบแล้วเนี่ยจบหมดแล้วนะเต็มร้อยแล้ว ยังเป็นนั้นพระนาคามีถึงห้าชั้นห้าประเภทได้เลยทีนี้ว่าหลังจากเราพิจารณาตัวเราจบเนี่ยก็มีสังโยชน์เบื้องบนเขาเรียกว่าอุดทางพาคิยะสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องบนหลังจากที่เราพิจารณาตัวจบสิ้นนะเราก็ทำฌานขึ้นมา นั้นชาญของพระเจ้าท่านทำทีหลังนะทำทีแรกไปไม่รอดวางไว้ก่อนเพราะยังไงทุรังไปก็ไปไม่ได้เพราะติดในที่เราไม่เจริญสติปัฏฐานสี่เราก็เลยมาทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ก่อนเมื่อบริบูรณ์แล้วกลับการเอาชาญมาทำต่อไปการที่เราเอาทำชาญขึ้นมาทีหลังเนี่ย เราไม่ได้อามาพิจารณาร่างกายเลยนะไม่ได้ใช้ฌานมาพิจารณาร่างกายเลยไม่เอาเพราะเราพิจารณามาจบแล้วโดยใช้สติเท่านั้นโดยการใช้สติปัฏฐานสี่เท่านั้น mm. ก็เป็นว่าสติปัฏฐานสีนี่เองทําให้เราเนี่ยละกิเลสถึงทั้งสองตัว ทำให้เราละกิเลสไปสองตัวตัวที่สามก็เหลือนิดเดียวเองไม่ใช่ว่าตัวที่สามเหลือทั้งหมดเลยนะไม่ใช่นะเหลือนิดเดียวความจริงลาทั้งสามตัว น, นั่นแหละแต่ตัวที่สามเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยหมดก่อนตัวที่สามเนี่ยมีมากกว่าเขาก็เลยเหลือตัวที่สามไว้แต่ก็หมดไปเยอะแล้ว อันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยจนกว่าเราจะละสังโยชน์ห้าได้ก่อนเมื่อเราละสังโยชน์ห้าได้ก็เป็นอันว่าตัวโมหะก็เหลือนิดเดียวเพราะละไปเยอะแล้วเพราะละเท่ากับความจริงละทั้งสามตัวนั่นแหละแต่ว่าตัวโมหะนี่มันยาวกว่าเขา อเหมือนเชือกนะ่ะเราม้วนไปม้วนไปนะไอ้เชือกสองเส้นนั้นมันสั้นกว่ามันก็เลยหมดก่อนแต่เชือกตัวเส้นนี้น่ะมันยาวมันก็เหลืออยู่เราต้องม้วนต่อไปอม้วนเก็บต่อไปความจริงม้วนมาเท่าๆกันนะั่นแหละแต่ว่าเชือกมันสั้นยาวไม่เท่ากันมันก็เลยหมดช้ากว่าเขาวางอันเถอะความจริงก็ถูกม้วนไปเยอะแล้วทีนี้โมหะนี่คืออะไรคืออวิชชาคือความไม่รู้เออ่ไม่รู้อะไรละเอียดลึกๆมันไป ขณะจิตเราไม่รั้วไหลแล้วนะยังมีในความที่อยู่ในตัวมันเองยังมีอีกนะจิต ท, ที่ไหลไปเนี่ยเป็นกิเลส ท, ทั้งหมดจะละได้หมดแล้วฉะนั้นคนที่บอกว่าตามดูตา ม, ตามรู้จิตไปเท่ากับตามกิเลสไม่ต้องตามหรอกเขายังละหมดเลยเขาไม่ตามเขาไม่ไปการตามไม่มีผลเลยเพราะว่ามันไม่ไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเบื่อร่างกายเราก็เลยเบื่อโลกเบื่อโลกก็เลยละโลกได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการละสกายติฏฐิละวิจิกิจฉาจนถึงละพระอนาคามีได้เนี่ยการพิจารณาตัวก็จบจบลงเมื่อการพิจารณาตัวเราจบลงเนี่ยเท่ากับว่าเราก็มาทำฌานกันฌานนี้ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาพิจารณาร่างกายเลย ทำไปเพื่อเราอยากจะรู้เรื่องวิชาสามทำไปเรื่อเราจะรู้เรื่องอภิญญารู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นรู้ในมิติอื่นรู้สวรรค์นรกนั่นเองถ้าเราไม่มีฌานเราก็รู้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีฌานอย่างเดียวไม่มีไม่เอากิเลสออกก็รู้ไม่ถึงไหนฉะนั้นการรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า ต้องทำฌานขึ้นมาจะด้านพิสุสงังอดจจากกรรมสังัดจากอาคูสุลธรรมทั้งหลายเราอบรมมาเนี่ยหนึ่งข้อหนึ่งถึงเจดข้อ 1- ถึงเจเนี่ยอบรมมาแล้วเหลือข้อ8เป็นข้อสุดท้ายและข้อหนึ่งถึงเจ็นี่เองจะส่งไม้ให้ข้อ8ดเดินทางต่อไป ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าข้อแปก็คือหนึ่งถึงเจ็ดได้ส่งไม้ให้แล้วข้อแปก็ถือไม้เดินต่อไปวิ่งต่อไปเราอบรมมาเนี่ยก็คือพิจารณาร่างกายเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดก็บริบูรนก็คือข้อเจ็ดเป็นสติปัฏฐานสี่เนี่ยตอนนี้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วนะเพราะสตินี่มั่นคงมากไม่มีรั่วไหลไม่มีการวกแวกไปไหนแล้วแต่ว่าสมาธิยังไม่มี มีสติบริบูรณ์แต่สมาธิฌานยังไม่มีก็เลยทำฌานขึ้นมาก็คือข้อที่แปดพิสุสงัดแล้วจากกรรมสงัดจากอากูโสรธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานทูติตติจนถึงจตุตาฌานทำอย่างชำนิชำนานแล้วก็น้อมจิตไปลักษณะที่อยากจะรู้ภพชาติของตัวเองว่า เราเกิดมาจากไหนก่อนที่เราจะได้ร่างนี้เราเป็นอะไรมาทีนี้จิตของเราเนี่บริสุทธิ์ผุดพองเพราะสังโยชน์ห้าละไปแล้วการมาราคะสิ้นไปแล้วความยินดียินร้ายหรือว่าเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอภิชาและโทมมนัตไม่มีแล้วศูนย์สิ้นไปแล้วซึ่งท่านเป็นท่ น, ทนเปรียบเหมือนว่าดินเหนียวที่นวดดีแล้วหมักดีแล้ว นวดดีแล้วบุคคลที่จะต้องการปั้นรูปอะไรก็สามารถจะปั้นได้ตามใจชอบฉันใดจิตที่อบรมมาดีแล้วสามารถที่จะน้อมจิตไปรู้เห็นอะไรก็ได้ก็น้อมไปลักษณะอยากจะรู้ภพชาติของตัวเองว่าไอ้ร่างปัจจุบันเนี่ยเราได้มาจากบิดามดาเราเห็นแจ้งแล้วนะเพราะเราพิจารณาตัวเราเห็นแจ้งแล้วเราอยากจะรู้ว่า ก่อนที่เราจะมาได้ร่างนี้เนี่ยเรามาจากไหนร่างอื่นเรามีไหมร่างนี้เราเห็นแล้วแต่ร่างอื่นเนี่ยเรายังไม่ไม่รู้ไม่เห็นมีไหมก็สามารถที่จะเลึกชาติได้มากมายเห็นตัวเองเนี่ยเกิดตายในวัฏสงสารมากเพราะมาหลงร่างกายแต่ละชาติละชาติไปนั่นเองเหมือนกับชาตินี้ที่เรามาหลงร่างกายในชาตินี้นั่นเองความหลงความยึดมั่ม AD, imagine, มม imagine, นร่างกายแต่ละชาตินั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิด แล้วชาตินี้เราเบื่อแล้วนะตั้งอันนี้แล้วแสดงว่าการเกิดของเราชาตินี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายต่อไปการตายเราแล้วเนี่ยเราจะเกิดไม่มีอีกแล้วเกิดมาครั้งสุดท้ายนี้จะตายจะตายครั้งสุดท้ายนี้เป็นแน่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเหตุปัจจัยของการเกิดการตายนี้มาจากการหลงไหลในร่างกายของตัวเองมาทุกภพทุกชาติบัดนี้เราไม่หลงร่างบัดร่างนี้แล้ว เราเบื่อแล้วเราพิจารณาเรารู้แจ้งแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณการรู้พบชาติของตัวเองของตอนเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งก็เกิดขึ้นมาการพิจารณาตัวเองแจ่มแจ้งก็เกิดขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยก็สลดสังเวชน้ำตาไหลว่าพบชาติเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เราหลงตัวเองทั้งสิ้น หลงของของอัตภาพตัวเองที่แต่ละภพละชาติที่ได้มาคนอื่นอย่างไรเราก็อย่างนั้นเราอย่างใดผู้อื่นอย่างนั้นเหมือนกับว่าขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ต่อมาจนได้บ้านหลังนี้คือบ้านหลังสุดท้ายก็คือร่างกายนี้นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เห็นความเป็นจริงว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นและผู้อื่นได้ในคนอื่นในโลกนี้เป็นอย่างเราไหม ก็สามารถที่จะเห็นคนอื่นที่เกิดเกิดตายตายเหมือนดังเราเขาเรียกว่าจตูปจัยานเหตุการณ์จุติของหมู่สัตว์คนอื่นเนี่ยเป็นไปตามเหมือนเหล่านี่เองเราและเขาต่างอยู่ในอิทธิพลเดียวกันเพราะไหลไปตามกระแสโลกเพราะความไม่รู้เพราะความงโง่เพราะความไม่เข้าใจเพราะไม่ไดั้งนั่งใกล้สัตรบรุุรไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเอง อันนี้แหละสาเหตุของการไม่รู้ไม่เห็นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนี้เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็ถือว่าการมารู้มาเห็นการมาเข้าใจในพระธรรมความจริงพรุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรามานั่งตรงนี้ก็เกิดการรวบรวมสติปัญญาบารมีทั้งหมดว่าพอกันทีสหรับการเกิดการตายว่าเราไม่มีอะไรเนยหนักเหลือเกิน ทำได้ละอัตภาพแต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะได้มาก็เหนื่อยมีอยู่ก็เป็นทุกข์มากเหลือเกินเบื่อน่ายไปหมดขอชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายหมดกันทีพอกันทีเขาเรียกว่าอาสวะขยายานอ า, อาสวะขยายานแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นทำไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทาฌานขึ้นมา หลังจากที่ตัวเองเป็นพระอนาคามีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วทำฌานขึ้นมาก็เลยหลงไหลในฌานนั้นว่าโอ้ล่างเนี้ยไม่ใช่เราแต่ว่าฌานนี้ที่เกิดมาเนี่ยนี่คือเราเราคือฌานฌานคือเราเราเท่านั้นที่อยู่ในฌานฌานนี่แหละเป็นของเราบ้านของเรายึดฌานนั้นว่าเป็นนิพพานอ่ายึดฌานว่าเป็นนิพพาน อย่างนั้นเขาเรียกว่ารูปราคะเราเห็นไหมว่ารูปไปว่ารูปประช า, าะนราคะไปว่ายินดีนะฉะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยมีคําว่าราคะอยู่ด้วยอา้าวไหนว่าพัฒนาคามีเนี่ยละลาคะไม่ได้ได้แล้วไม่ใช่เหรอทาไมคำว่าสังโยชน์เบื้องบนถึงมีถึงมีราคะขึ้นมาอีกละ่ะ ความหมายคําว่าลาคะเนี่ยกับความหมายที่เราเข้าใจเขาว่าลาคะนี่ต่างกันนะคนหลายๆคนคิดว่าลาคะคือความยินดีในปีหญิงและชายนั่นคือลาคะความจริงแล้วคําว่าศัพท์คําว่าลาคะเนี่ยเป็นสับกลางกลาง ไม่ได้หมายถึงว่าความยินดียินดีและหญิงและชายเท่านั้นที่เป็นลาคะคําว่าลาคะที่ว่านี้เนี่ยเป็นศัพท์กลางๆที่ไปใช้ได้หลายที่แปลความหมายว่าลาคะในที่นี้เนี่ยแปลว่ายินดีไม่ว่ายินดีหญิงและชายก็เป็นลาคะยินดีอย่างอื่นด้วยเท่นตายินดีในรูปเว้ยหูยินดีในเสียงก็เป็นลาคะ คำว่าราคาตัวนี้ไม่ได้หมายถึงความยินดียินหญิงแด้ใช้เท่านั้นรวมความกว้า ง, างใหญ่ๆแม้แต่ว่าทําฌานขึ้นมายินดีในฌานนั้นเขาเรียกว่ารูปราคะถ้าเรามีเข้าสามารถจะเข้าสามาธิ ถ, ถึงอรูปฌานและยินดีในอรูปฌานว่าเป็นของเราเป็นบ้านเราเป็นที่อาศัยของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าอรูปราคะ เราเห็นไหมว่าคําว่าราคะเนี่ยมีใช้อยู่หลายที่เลยแต่การที่วัยหญิงและชายยินดีกันเขาเรียกว่ากามมะลาคะมีคําว่ากามเข้าไปด้วยเจาะจงเลยว่านี่คือหญิงและชายแต่คําว่าราคะอย่างเดียวเนี่ยลอยตัวอยู่เพราะมันกว้างซึ่งซึ่งเราได้ยินว่าสังโยชน์เบื้องบนจึงชื่อว่าราคะอยู่หรือเราได้ยินว่าวิลาคะธรรมทำไมว่าวิลาคะธรรมต้องไปใช้ตรงนู้นอีก แปลว่าไม่ยินดีฉะนั้นความหมายที่เราเข้าใจกันว่าลาคะเนี่ยมันกว้างนะแต่เราเข้าใจว่าราคะก็คือหญิงชายเลยอย่างนั้นแค่ไปต้องเปลี่ยนความเห็นใหม่ความเข้าใจใหม่ว่าคำว่าราคะนี่มันกว้างมิได้หมายถึงว่าหญิงและชายเท่านั้นและรวมหญิงและชายนั้นด้วยแต่หญิงและชายเขาเรียกว่ากา玛มมลาคะกา ม, มาสังโยชน์ อันนี้ชัดเจนว่าหญิงชายไม่ใช่รวมความอย่างอื่นฉะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยจึงนีมีคำว่ารูปราคะรูปราคะเกิดขึ้นมาใช้สับคานี้อองแต่ไม่ใช่ว่ า, าไหนไหนจะเป็นพระาราหันแล้วเลยพระนาคามียังมีคาว่าราคะอยู่หรือบางคนอาจจะคิดได้ว่าไอ้ทำไมสับคำนี้มีที่มีได้ตรงนี้เราจะต้องทาความเข้าใจใหม่แล้วอุทัจจะ คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเขาบอาอุทธธจจะเนี่ยสังโยชน์เบืบเ้องบทเขาเรียกว่าอุธทธางภาคยัสสังโยชน์เนี่ยเขาไมามีคําว่าอุทธธจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านบางคนบอกว่าอา้าวในขณะเมื่อพระอนาคามีเนี่ยเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยละอภิชาและโธมนัตในโลกเสียได้อภิชาความดีใจก็ไม่มีความโธมนัตคือความยินดีความยินร้ายก็ไม่มียังมีความฟุ้งซ่านอีกเหรอ เม um um ื่อยินดียินร้ายก็มีจิตนั้นดับสนิทเลยไม่มีอะไรไปมาเลยเนี่ยยังมีความฟุ้งซ่านอยู่เลยมีอุทจจะได้อย่างไรความฟุ้งซ่านในที่นี้ผู้รู้ทั้งหลายท่านชี้แจงว่าฟุ้งซ่านในการปฏิบัติในธรรมของที่ตนกําลังง่วนอยู่การปฏิบัตินั้นเช่นว่ากําลังทําฌานขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าฌานนี้น่าจะเป็นของเรานะนี่ผ่านคือตรงนี้นะไม่ใช่อย่างอื่นนะ การค้นคิดการค้นคว้าในธรรมที่ตัวเองกําลังจะบรรลุเนี่ยมีการขบคิดขึ้นมาในธรรมนั้นๆแต่ไม่ได้ออกทางนอกนะเขาเรียกว่าฟุ้งในธรรมอันนี้มีอยู่หมายถึงฟุ้งในธรรมเขาเรียกฟุ้งภายในแต่ไม่ได้ภายนอกเพราะกําลังกำลังวิดิจฉัยอะไรยังไม่ลงตัวนะกำลังกำลังค้นคว้าไม่ลงตัวเขาเรียกว่าอุทธัจจะก็คงจะสมเหตุอยู่ว่าท่านหมายถึงว่า ความฟุ้งในธรรมแต่ไม่ใช่ฟุ้งสั้นอย่างเหล่าๆท่านท่านทั้งหลายภายนอกนี่ไม่ใช่อันนี้เราฟุ้งดิบๆเลยนะ น, นี้เดินป่าๆเถื่อนๆเลยอันนี้คือหยาบๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าฟุ้งแบบปุถุชนแต่พระยาเจ้าระดับนั้นเนี่ยแค่นิดเดียวภายในนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเป็นการฟุ้งภายในฟุ้งในธรรมยังไม่ลงตัวยังลงตัวไม่ได้นะเขาเรียกว่าฟุ้งในธรรมที่ตนบรรลุ ที่จะบรรลุนั้นแล้วก็มานะมานะแปลว่าความมานะแปลว่าความถือตัวก็ได้หรือการการสําคัญตนหรือการที่ว่าเออเราเลิศกว่าเขานะเราบรรลุความสูงนะใครจะเท่าเราไม่ได้เราเก่งเรามีความฉลาดแล้วท่านงงตนว่าตัวเองนี่สูงตัวเองที่เลิศ ความคิดเช่นนี้เป็นกิเลสนะรู้ว่าตัวเองเลิศ ก, ก็จริงแต่ก็ทอมตนไปเลิศเหมือนไม่เลิศใบเหมือนไม่ใบหนวกเหมือนไม่หนวกสูงเหมือนไม่สูงเหมือนคนที่ไม่ไม่มีโอ้อวดอะไรมีเหมือนไม่มีรู้แจ้งเหมือนไม่ไม่รู้แจ้งเหมือนทำไปตนเป็ น, น, เ, ปนเป็นคนทอมตนเขาเรียกว่าละมานะทิฏฐิทิฏฐินั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิเลสภายในนะทั้งๆที่ความรู้ก็สูงนะ แต่ก็สูงจริงไม่ใช่สูงหลอกๆแต่เขายิมก็ยิมยิ้มย่องในความรู้ของตนว่าตนสูงส่งตนเป็นผู้สูงตนผู้เป็นผู้ไม่ไม่ควรแต่ที่จะต่ําอะไรความทะนงตนดังนั้นเหมือนกับว่ายกตนเนี่ยสูงกว่าผู้อื่นหรือว่ายกย่องตัวเองเนี่ยดีกว่าผู้อื่นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามานะไม่มีนะมียั ง, ย, งยังติดอยู่นะถ้ามีอยู่ก็แสดงว่าละไม่ได้ฉะนั้น คนที่ละไม่ได้เหล่านี้เนี่ยทำให้เป็นไม่เป็นพระอรหันต์เลยยังยังสอบไม่ผ่านเมื่อกันเถอะแล้วก็ทอสุดท้ายเขาเรียกว่าวิชาอาวิชชานั่นแหละวิชาจะต้องไปทำลายอาวิชชาอย่างไม่หมดสิน้นคือความไม่รู้อะไร ย, ะยังซ่อนๆยังซ่อนๆเล่นๆอยู่เนี่ยความไม่รู้จากทุกไม่รู้เหตุของทุกไม่รู้การดับทุกเนี่ยยังยัง ยังมีการซักพอกยังไม่ลงตัวยังมีการซ่อนซ่อนอะไรซ่อนซ่อนเล่ น, ลนๆอยู่ในนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาด้านสังโยชน์ห้าข้างบนเนี่ยก็คือรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาห้าอย่างเหมือนกันห้าอย่างนี้แหละทำให้ ทำให้ไม่บรรลุพระอาหารหันต์ความจริงแล้วไม่อยากพูดตรงนี้นะเพราะว่าสูงเหลือเกินนะเราอยังต่ำต้อยอยู่นะแต่ฟังไว้กันแล้วกันไหนไหนตั้งหัวข้ อ, อย่างนี้เนี่ยก็ฟังไว้ใช่ว่ากันแล้วกันเนาะเราจะถึงแค่ไหนยังไม่รู้ยังไม่ติดฝุ่นเลยแต่ก็ฟังไว้กันแล้วกันเพราะว่าตั้งหัวข้อว่าสังโยชนิยธรรมทำก่อให้เกิดการ เป็นเครื่องผูกคือสังโยชนสิบอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าการที่จะสอบผ่านนี่ยากเหลือเกินเนาะยากไปยากไปแต่ก็ทุกคนจะต้องสอบผ่านนะไม่งั้นออกโลกไม่ได้นะออกจากโลกไม่ได้จําเป็นจะต้องยากก็ต้องไปถึงจะบวยก็เอาอดีก็ไม่ได้ติดสอนห้อยตามไปเดี๋ยวก็บรรลุเองเลยอะ อันนี้ก็คือว่าอยู่ที่สติปัญญาบารมีที่สร้างสมนะคนไหนสติปัญญามากหน่อยก็เร็วหน่อยอ่หัวดีหน่อยฉลาดแหลมคมก็ไปได้เร็วทีนี้ว่าเมื่อบุคคลละสังโยชน์ห้านี้ได้ก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดฉะนั้นฌานที่ทำขึ้นไปเนี่ยยึดมั่นไม่ได้เลยนะว่า เป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้ฉะนั้นการยึดมั่นฌานนั้นเป็นตัวตนเนี่ยไม่ได้เลยเป็นรูปราคาอารมุปราคาทันทีาาเลยฉะนั้นพระละหันทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่เข้าฌานในวันมรณภาพเวลามรณภาพเนี่ยเข้าฌานออกฌานแล้วสุดท้ายก็ต้องออกเลยจะไม่อยู่ในฌานนั้นเพราะว่ามันเป็นรูปราคะอรูุปราคะถ้าอยู่ในฌานตายคาในฌานเรียบร้อยเลยคือสังโยชน์มันค้างอยู่ฉะนั้นพระละหันเนี่ย เราจะได้ตอนที่เราได้ยินในในปริณีผานสูตรของผู้เจ้าเนี่ยถ้าจะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานจนสุด ท, ท, ท้ายนี่จะดับจิตจริงๆเนี่ยออกเลยไม่ได้อยู่ในฌานเพราะอะไรเพราะรูปราคาอรูปราคาเนี่เป็นสาเหตุถ้าอยู่ไม่ได้ก็เป็นรูปราคาทันทีเลยอรูปราคาทันทีดังนั้นหลายคนคิดว่าฌานนั่นแหละคือที่เข้านิพพานก็คือเข้าฌานไปเลยไม่ได้ไม่ได้ความคิดอย่างนั้นผิดเลยนะ ฌานนี้เป็นของโลกจริงถึงจะทำมาทีหลังนี้ก็ยังเป็นของทิ้งไว้เลยเป็นของอาศัยทำให้เกิดให้รู้ให้มีให้เห็นเท่านั้นเองเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเป็นอ่เป็ น, เ ป, นเป็นการกระทำอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนคนนั้นก็สามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นพระอรหันต์ในในทีส่สุดอ่าก็เรียกว่าละสังโยชน์เบื้องบนได้ ทีนี้พระหรหัสก็ยังมีหลายประเภทนะประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่าประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกแล้วก็เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์สองประเภทใหญ่ๆ อ, อยู่ตรงนี้เท่านั้นสุขวิปปวิปัสสโกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการพระรหัรที่พิจารณาร่างกายไปแล้วเนี่ย แล้วก็เป็นพระนาคามีแล้วไม่ทำฌานเพราะรู้ด้วยปัญญาเพราะฉลาดมากแนะ่ะฉลาดมากจนรู้ว่าฌานถึงทำไปเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีพบชาติเราไม่จาเป็นต้องรู้หรอกไม่จำเป็นต้องรู้เพราะรู้ไปเราก็ทิ้งอยู่ดีการที่เราพิจารณากายเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำฌานเพราะถึงทำต้องทิ้งอยู่ดีเนี่ยเขามองล่วงหน้าได้ ว่าการทำมาแล้วทิ้งเนี่ยไม่ต้องทำดีกว่าก็พอใจอยู่กันั้นแล้วก็ตัดอาสวะกิเลสตัวเองของของตัวเองด้วยปัญญาเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าทางาเขาเรียกว่าทางแยกกันตรงนี้นะคือพระอรหันต์ที่ไม่เอาฉานแต่เจริญสติปรารานสี่ด้านเดียว สติปัฏฐานสี่ด้านเดียวแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์ได้แต่ประเภทที่สองนี่ก็คือว่าพิจารณาร่างกายจบแล้วเจริญฌานขึ้นมาเจริญสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แล้วก็อบรมฌานให้เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็บรรลุทางวิชาสามอภิ ญ, ญิาหกวิโมกข์แปดตรงนี้องค์นี้เขาเรียกว่า ปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตหรือเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตคือสองอย่างเลยปัญญาก็ได้เจโตก็ได้อยู่ในอุคนเดียวกันแล้วก็ยังมีปีกย่อยไปอีกนะในในในเขาเรียกว่าในปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตตเนี่ยยังแตกขแขนงไปอีกย่อยอีกเขาเรียกว่ากายสักขีทิฏฐิป ต, ตะ ศรัทธาที่มุดแล้วก็จำไม่ค่อยได้ละหลายอย่างนะออกไปอีกเยอะเลยทิฏฐิปตะา ก, กายาาสักขีปฏิสัมปฏิสัมปโตแล้วก็เจโตวิมุต อ, อะไรนะศรัทธาที่มุดอันนี้ก็จำผิดจำถูกเหมือนกัน แต่ว่ารู้ไว้นะไม่ใช่ว่าจะต้องมาขยันขยอยให้รู้จริงๆเพราะยังไกลจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้รู้ไว้อย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าพระรหัสปีกย่อยๆที่ซอยแขนงไปอีกหลายแผนกหลายอย่างเขาเรียกว่าอ่าแล้วก็แบ่งย่อยๆไปอีกประเภททางอภินญยาอีกเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าวิชาวิชาสามเขาเรียกว่าเตวิโชเขาเรียกว่าวิชาสามพวกประเภทที่ว่าบุคคลที่ทํำทําให้เกิดฌานขึ้นมาแล้วลึกชาติได้คือวิชาสามเนี่ยเขาเรียกว่าเตวิโชแล้วก็มีอภิญญาหกเขาเรียกว่าสละพิญโยแล้วก็ประเภทที่แตกฌานในในปฏิสัมพิธาสี่คือเรื่อปฏิสัมปัตโต นี่ประเภทประเภทอีกแบบคือสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยแบ่งซอยเป็นลักษณะความถนัดเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเหมือนนายแพทย์เนี่ยเราแบ่งเป็นแพทย์เป็นสองสองอย่างแพทย์ที่บาบัดทางกายเขาเรียกว่าประเภทหนึ่งแล้วก็แพทย์ที่บาบัดทางใจเขาเรียกว่าจิตแพทย์นย ะ, ะกายวิภาคหรือว่าจิตแพทย์ทานองนั้น ถ้าเราแบ่งหลักแพทย์เนี่ยใหญ่ๆก็คือสองเพศแพทย์รักษาทางใจจิตแพทย์นั่นเองแพทย์ที่รักษาทางกายนี้ก็สิริละเขาเนี้ก็แบ่งแนกไปว่าตาหูคอจมูก อ, อ, อะไรอ่ะแผนกหลายอย่างเกิดจากร่างกายที่แผนกนั่นตาหัวหูคอจมูกแผนกหัวใจไปแพทย์ตับไปแพทยไตไปแทพทย์แผนกสารพัดนะ่ะแบ่งซอยแต่ใหญ่ๆก็คือทางกายกับทางใจเท่า น, นั้นเองอันนี้ก็เหมือนกัน พระหันเนี่ยทางปัญญากับทางอาสองอย่างเ็เรียกว่าปัญญาด้วยเจโตด้วยเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์รักรับกับปัญญาวิมุตตอย่างเดียวแต่ว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตแบ่งซอยไปอีกหลายอย่างอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือว่ า, าปีกย่อยเราก็ฟังไว้กันแล้วกัน เราจะไปรู้รายละเอียดตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะทีนี้ว่าเรามาพิจารณาว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่เราอบรมถูกต้องหรืออย่างแล้วการอบรมของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมแล้วแนวทางของเราที่เราจะทําเนี่ยเราทําอย่างนี้หรืออย่างะ่ะเราก็ต้องมาคิดว่า การกระทําของเราที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรคิดว่าการเข้าใจหรือแผนผังของงานที่เราทําเนี่ยจําเป็นแท้เราจะต้องอ่าเขาเรียกว่าหาความถูกต้องของการทําของเราเนี่ยให้ดีไม่งั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเกิดการล่าช้าเสียเวลาอ่าทำให้เราเนี่ย ไม่สามารถที่จะบรรลุผลเป้าหมายแล้วผลที่เราทําก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เวลาที่คนบรรลุเนี่ยจิตของเขาจะไม่มีเขาไปทางไหนเลยจิตที่คนบรรลุเนี่ยจะไม่มีการล่วไหลไม่มีเล็ดลอดไม่ใช่ตามจิตดูจิตตามจิตดูจิตนันไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่มีนะอย่างนั้นถือว่าเป็นปุรุชนเป็นเป็นคนหนาเป็นคนมีกิเลส แต่พระละหันจะไม่มีการไปของจิตเลยฉะนั้นการตามดูตามรู้ไม่ต้องตามตามหรือไม่ตามจิตก็ไม่ไปอยู่แล้วเดีถึงบอกว่าคนไม่เข้าใจว่ากิเลสคืออะไรอะไรคือกิเลสยังไม่เข้าใจแล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเราจะชนะกิเลสได้เนี่ยเราต้องรู้จักกิเลสอย่างดีไม่งั้นเ ร, เราจะชนะกิเลสไม่ได้เลย อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการไม่เสียเวลาการชักช้าการล่าช้าของการทำเพราะเราไม่เข้าใจระบบถ้าเราเข้าใจระบบการทำของเราจะเนื้อเนื้อเลยมันไม่มีน้ำนะ่ะทำแบบเนื้อเนื้อไม่แวะข้างทางบ่อยแล้วก็การที่เราจะไปเนี่ยเหมือนกับว่า เราทำถูกเป้าหมายเหมือนกับเราเกาถูกที่ขันความขันนั้นก็จะหายได้ทีนี้ว่าเราขันไปแต่เกาไม่ถูกที่มันก็ไม่หายขันเรามีทุกขเรามีกิเลส แต่การกิเลสการดับกิเลสเของเราไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกเป้าเราเดินเคียงคู่กับกิเลสยังไม่รู้ว่า น, นี่คือกิเลสดีไม่ดีตามเขาไปอีกหรือบดีให้อาหารเขาจะเลยอ้วนเลยมันจะมันจะตายได้ไงกิเลสเพราะความไม่เข้าใจของเราตังหะเราต่อสู้เขาเราต้องรู้ว่าเขาคือใครใครเป็นศัตรูของเรา แล้วศัตดูอยู่ได้เพราะอาหารอาหารอะไรเราต้องตัดสเสบียงอาหารของเขาให้ได้อย่าให้อาหารของเขาเลยแล้วเราก็เลี้ยงความเจริญให้บริบูรณ์ฝ่า ย, ายธรรมะนี้ขึ้นมาเพื่อจะชนะอธรรมที่เกิดขึ้นนั้นให้ผายผอมเราก็เลี้ยงธรรมะภายในให้เกิดขึ้นมีจนกว่าคุณธรรมของเราจะเกิดขึ้นก็คือการ บริบูรณ์ซึ่งอย่างที่เคยพูดไปแล้วนั่นเนี่ว่าอะไรเนอทําเป็นอาหารทําให้เกิดอาหารอะไรระอะไรจะตั้งดูได้เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันถ้าอย่างนั้นการต่อสู้ของเราก็จะเ้าเรียกว่าไม่รู้เขาไม่รู้เราเราจะชนะเขาได้อย่างไรเล่าทีนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้สังโยชติก็เป็นอันว่าสวยงามมากนะ เราจะสามารถละได้ด้วยพิธีนี้และการที่เราชะนะกิเลสเหล่านี้ได้เนี่ยชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อที่พึงสังเกตสังโยชน์สิบนี้เป็นเครื่องวัดของบุคคล ว่าเราจะได้คะแนนขนาดไหนอย่างไรต้องอาศัยสังโยชน์สิบนั่นแหละเป็นตัววัดของระดับสติปัญญาของเราว่าเราถึงไหนอย่างไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกณฑ์เป็นเกจ เ, เ, เฉลี่ยของการละว่าเราได้คะแนนสูงสุดได้ตรงไหนอย่างไรสังโยชน์สิบนั่นเองเป็นตัววัดของบุคคล ถ้าเราไม่ทำได้อย่างนี้แล้วสังโยชน์สิบนี้เป็นอันว่าละไม่ได้เลยการกระทำของเราที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ทำที่ไม่มีการละสังโยชน์ได้เนี่ยการกระทำของเราจะถูกต้องได้อย่างไรเป็นอันว่าการพิจารณาร่างกายนี้ที่เคยพูดอยู่เสมอจนเป็นเป็นของหน้าเบื่อนายนะนะเมื่อไรก็พูดระ ก, กายกายอยู่นั่นเน <laughs> เว้นไม่ได้เลยนะ พยายามจะเลี่ยงหนี้ะนะมันเลี่ยงไม่ได้นะคนเบื่อกินหน้าแนละ้วพูดบ่อยอเทศบ่อยเมื่อไรกายพิจารณากายไม่พิจารณายอย่างอื่นบ้างเลยถ้าไม่มพิจารณากายสักกายะจะเกิดได้อย่างไรเราลองคิดดูสิเราจะปลูกมะม่วงแต่ให้ผลเป็นขนุนเราปลูกผิดไหมล่ะเราไม่ขึ้นต้นด้วยการพิจารณากายสักกายะจิติจะมีได้อย่างไร เมื่อสักายยทิฏฐิมีไม่ได้การละกามมาลคะจะมีได้อย่างไรเพราะสักากยทิฏฐินั่นเองเป็นตัวละของกามะ ถ, ถ้าแก่กล้ามาก็จะเป็นการละกามมาลาคะนั่นเองทีนี้ว่าการละกามมาลาคะมีไม่ได้การจะละตัวตนจะมีได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดว่าเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิ อวิชชาจะละได้อย่างไรก็คนเรามีทั้งหมดก็คือสองอย่างเท่านั้นเองก็คือกายกับใจถ้าเราจะไปดูอื่นก็เป็นอื่นหมดนอกจากการที่เอาใจมาดูกายเราก็จบกันในที่นันเพราะไม่มีตัวละครอื่นเลยมีแต่กายกับใจเท่านั้นเองสองอย่างแต่ใจไม่ได้เห็นกายนี้มันก็เล่ยล่อนมันก็ยึดมั่น่าเป็นตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเห็นร่างกายนี้ ก็เป็นอันว่าละตัวตนเสียได้ฉะนั้นธรรมะที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยมันหนีไม่ออกหนีไม่ได้เบื่อก็ต้องทนฟังเพราะว่ามันเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้บอกมองอย่างอื่นไม่ได้เลยมองแต่กายนั่นแหละมันละไม่ได้จริงๆนะมองคนอื่นกายคนอื่นก็เป็นกิเลสสิกายเราเท่านั้นแหละมันจะละได้ก็คือตางหลา่เรา พี่อื่นเขาก็มองเห็นแต่ใจแต่ใจอย่างเดียวมีที่นี่แหละมองเห็นกายบางคนบอกว่ามีที่นี่มีแต่ ม, แตมีแต่อรรมานี่ได้ว่าแสดงพูดแต่เรื่องกายผู้อื่นเขามองแต่ใจทั้งนั้นถ้าเรามองใจด้านเดียวไม่มองกายเนมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะใจมันยึดมั่นกายแล้วเราจะไปจับใจอย่างเดียวเนี่ยมันโดยที่ไม่ปล่อยตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างไร อ่ามันจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่ามันยึดมั่นตัวเราทุกคนอยู่แล้วทุกคนยึดมั่นตัวเองอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยว่าสังโยชน์ทั้งหมดจะละได้อ่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถึงได้บอกว่าหนียังไงก็หนีไม่รอดหนียังไงก็หนีไม่รอดยังไงก็ต้องเอ่ยถึงอยู่ดีเพราะไม่มีที่ไปจริงๆ ขนาดมีสองอย่างนี้นะยังเห็นกันไม่ได้จะมีลากอย่างจะเป็นเห็นกันได้อย่างไรก า, ายใจเท่านั้นเองอ่าถึงว่าหนีไม่ออกเลยนะเรื่องนี้หนีไม่ออกก็เลยพูดแล้วพูดอีกจนไม่มีจะอะไรจะเทศนะนะเเรื่องกายเนี่ยั้งบันทั้งคืน ขนาดมีแค่นี้ยังดูไม่ทั่วถึงเลยแค่เล็บกันงเดียวลองไปดูเถิดมันไม่เป็นเล็บเลยนะเล็บเร็วเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่ามองทั้งสามเดือนนะที่เทพท่านมีนะเทพของท่านนะหลับตามองไม่เห็นลืมตาก่อนนะก็มองแล้วก็จาไวสา้สามเดือนเนี่ยเล็บยังเลอะอยู่เลยเล็บไม่เป็นไม่ใช่เล็บนะมันเลอะเลยจ้าจริงๆ ลองดูเถอดไม่เชื่อแล้วจะเห็นทั่วตัวเนี่ยจะขนาดไหนแค่เล็บยสามเดือนยังไม่ผ่านเลยแล้วทั่วตัวมันกว้างนะตัวคนไหนอ้วนก็กว้างนิดหนึ่งตัวคนไหนผอมก็เล็กหน่อยแต่ความจริงแล้วพอกันนะทํำกันแล้วนะคนไหนตัวอ้วนก็เสียเปรียบกแล้วกว้างน้ําหนักทั้งหลายกิโลอตัวผอมก็น้อยหน่อยเหมือนกันเลย จ่ครมจริงเวลาทำไม่ไม่อ้วนไม่ใหญ่นะพอกั น, นะคือคือพอๆพอกั น, นเนี่ยกิเลสมาจากการยึดมั่นตัวเราจริงๆนะเวลาทำรู้เลยโอ้มันยึดมั่นตัวเรานี่เองเป็นเรื่องเป็นราวนความจริงก็แสดงทำจบแล้วล่ะอันนี้ก็ฟีตัวหน่อยว่าอ่าไปกินหนากากนะทั่วๆไปไปกินหนากะกทำ ทำจบแล้วต้องตีสามแล้วตอนนี้เหลืออีกยี่สิบนาทีจะหมดเวลาก็เลยประกินนากะคือปีกย่อยเล็กๆน้อยๆกันไปรอตีสามครึ่งขเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเหลือแต่ทำาแล้วจะททำหรือเปล่าเนี่ยอุตสาห์เรียบเรียงอย่างดีนะแล้วความรู้นี้ไม่ใช่ว่าใครให้ง่ายนะ เขาไม่ให้กันนะเขาไม่ค่อยบอกเราไปถามอครูบาอาจารย์อื่นๆดิ้ทำไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยท่านนั้นแหละเนขไม่ค่อยบอกหรอกแต่ถ้ามาเนี่แบ่มือให้เลยนะไม่ปิดเลยนะ่ะลองไปถามดูสิถามครูบาอาจารย์ฟังธรรมเ่ยจะทนทุกข์ไหนอเออทําไปเดี๋ยวก็รู้ทําไปไปไหนไม่รู้แหละ ท, ท่านบอกแค่นั้นนะ่ะความจริงท่านก็รู้นะแต่ท่านไม่บอกท่านบอกไม่มากอะ่ะ ในตามานีิหมดเลยอ่าพิกกระเป๋าให้เลยนะล้วงกระเป๋าจนหมดเลยหมดไส้หมดพุงให้ขนาดนี้ไม่เอาก็ามรู้จะทําไงแล้วนะ <c oughs> ความจริงไม่ได้เรียนปริยัติมาอะไรนักหนานนะจนมากก็จะปฏิบัติมาปริยัติมันก็จะรู้เท่าไรเลยทามาเรียบเรียงให้ฟัง อ, อ่อนมากพอดีรัตเนี่เรียนน้อยมากยิ่งอภิธรรมไม่เคยเรียนเลยอภิธรรมไม่เคยแตะเลยนะไม่แตะเลยแต่พระสูตรมีบ้างแล้วก็ตําราไม่ได้อ่านทั่วเลยไม่กี่เล่มเองอ่านนิดหน่อยยังไม่ทั่วเลยรู้น้อยแต่รู้ปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะก็เลยพูดได้บ้างอนะบาลีก็พูดได้บ้างนิดนิดได้หน่อย ก็ <c oughs> อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาเข้าใจเรียบเรี่ยงชัดเจนเป็นทางที่มันมีอาหารซึ่งกันและกันและกันอาหารฝ่ายเกิดก็ฝ่ายดับเนี่ยมีหมดเลยทําอย่างนี้แล้วจะโตมาเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้จะโตไปอย่างนี้ตัวนี้จะยื่นไม้มาหาตัวนี้ตัวนี้ส่งไม้กันุกไปเรื่อยๆ เ, เ, เขาว่าส่งไม้ก็เหมือนวิ่งเนี่ย น, นะวิ่งส่งไม้วิ่งผัดกันนะั่นแหละ ส่งไม้ให้กันไปให้กันไปแล้วมันจะถึงหลักหยุดหมายเลยอส่งไม้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักตรงนี้ไม่ได้เลยนะที่แรกจุดประกายทั้งหมดคือการฟังธรรมนะก็คือการนั่งใกล้สัตว์ปรุษก็ผู้รู้ทั้งหลายเมื่อนั่งใกล้ก็มีการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็มีการศรัทธาความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อส่วนมากเขาเรียกว่าคนทั่วไปจะเรียกคําว่าศรัทธาแปลว่าเลื่อมใสนะ ความจริงเรื่มใสนี้ไม่ใช่คานี้นะคาว่าศรัทธาคืออะไรทางบาลีเขาว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะแต่เขาว่าเรื่มใสเนี่ยบาลีเาเรียกว่าปสสาทะแต่เราก็คือใช้คาว่าศรัทธาก็คือเรื่มใสเลยคือเราใช้บางครั้งเนี่ยผิดอย่างเช่นว่าลาคะเหมือนกันเราใช้คาว่าราคะนี่ผิด ความจริงเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเขาเรียกว่ากา ม, มาลาคะแต่คําว่าราค่ะจริงๆเนี่ยแปลว่ายินดีนะยินดีทั่วไปราคะหมดเลยแม้แต่รูปราคะรูปราคะแม้แต่วิลาคะอย่างนี้แม้แต่ว่าฉันทลาคะอย่างนี้ใช้คำว่าลาคะทั่วไปแปลว่ายินดีอ่ารวมความยินดีทั้งหญิงได้ชายนั้นด้วยก็เรียกราค่ะเหมือนกัน แต่จะมีคําเฉพาะเขาก็คือกามมาลาคะบวกกามเข้าไปอีกก็แน่นอนเลยว่ากามฉันทะหรือกามลมาคาะนั่นเองอ่าใครมีอะไรสงสัยไหมนะเข้าใจไหม <c oughs> ไม่น่าไม่น่าสงสัยเนาะ ไม่ได้สงสัยชัดเจนมากมายชัดแจ้งก็ชี้แจงไปตามลำดับก็เวลาก็มากพอตั้งแต่ห้าทุ่งกว่า ก็คิดว่ารายละเอียดทั้งหมดก็คงจะไม่มีอะไรข้อสงสัยอะไรประการใดเพราะว่ามากพอที่เราทำให้เราเนี่ยาวางความสงสัยนั้นได้ทีนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องตรวจสอบนะ คือจะต้องตรวจสอบว่าเราปฏิบัติเนี่ยขาดตกปกพ่องตรงไหนอย่างไรแล้วการปฏิบัติของเราเราจะปรับปรุงอย่างไรเราจะปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติอย่างไรอะไรคือการล่วงไหลของเราอะไรคือการบกพ่องของเราว่าเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติมาเนี่ย อะไรที่เราไม่มีอาหารเราขาดอาหารอย่างไรการท่งไม้ของเราผิดหรือเปล่าอาการต่อเนื่องของการกระทาของเราถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นทำแต่ละหมวดเนี่ยจะโยงใย ห, หาการซึ่งกันและกันเอื้ออำนวยต่อการเป็นไปต่างๆอย่างถูกต้องเราจะเห็นไม่ว่าเราทาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นในนั้นเลยเขาเรียกว่า ทำทุกหมวดก็จะเกิดขึ้นก็คือทำในธรรมในในในข้อของสติปัฏฐานสูตรที่เราได้ยินว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมทำ ท, ทุกหมวดจะเกิดขึ้นดังที่แจงให้ฟังแล้วว่าทำหมวดไหนเป็นอย่างไรอย่างไรก็สามารถจะเห็นว่าผลิตผลของการที่พิจารณากายย่านเดียวที่เราลังเกียจเกินนั่นแหละไม่อยากจะได้ยินนั่นยินบ่อยแต่หมวดทำทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นแหละ แลวการแสดงธรรมก็จะนอกเหนือนี้ไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะนอกเหนือเพราะตัวละครมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าตัวแค่นี้แหละเรายังมองยากเลยแล้วก็การที่เราจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่เราจะมีได้ความซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนปมต่างคนต่างมีเล่เหลี่ยมซึ่งกันและกันก็คือกิเลสเขาก็มีเล่เหลี่ยมสูงเขาก็ส่งไม้ให้กันอยู่เหมือนกัน ก็มีอาหารซึ่งกันและกันคุณธรรมภายในของเราที่จะก่อเกิดก็มีอาหารซึ่งกันและกันต้องส่งไม้ไปกันต่างคนต่างสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อห้ําหั่นกันให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ให้ให้พ่ายแพ้พ่ายแพ้ลงไปให้ได้คือเราหวังชนะนะนะต้องให้กิเลสได้พ่ายแพ้ต่อ น, นี้ไปเมื่อการพ่ายแพ้เกิดขึ้นเนี่ยเราชนะได้เนี่ย จิตของเรานี้จะไม่ส่งอาหารให้เขาอีกเลยหมายถึงไม่มีการออกล่วไหลเลยการไม่ล้วไหลของจิตนั่นเองเป็นที่มาของความสิ้นไปของอาสวะดังนั้นคนที่หมดความเป็นอาสวะหรือหมดกิเลสเนี่ยจิตของท่านจะไม่ออกไปเลยจะไม่มีคาว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนมีแต่ดับอย่างเดียวเพราะมารู้แจ้งว่า ตัวเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงขันธาตุอายตนะไม่เทีย่ยงเพั้นการเห็นแจ้งอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเห็นกิเลสตัวความเป็นกิเลสจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นกิเลสเป็นตัวธรร ม, มะเสียแล้วเราเดินตามหลังเขาไอให้อาหารเขายังไม่รู้ว่า น, นอาหารให้ผู้ลายแล้ ว, ลวเราให้อาหารเขาโตชะอ้วนเลยนั่นยังไม่รู้ว่านั่นคือผู้ลายหรือว่าศัตรูแก่เรา เราจะชนะเขาได้อย่างไรล่ะปล่อยจิตไปให้เข า, เาให้ไปภายนอกมันก็หล่อเลี้ยงระบบของเขาสิให้เติบโตการเติบโตของกิเลสเราก็ยากที่จะจะทำลายเราต้องให้เขาผอมสินะให้ผอมลงผอมลงผอมลงเป็นไปได้หรืยว่าเราจะฆ่าเขาให้ตายถึงไม่ฆ่าก็จะตายสังเกตไหมว่าถ้าจิตเราไม่ออกสักอย่างเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกสักอย่างเนี่ย เกิดไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยที่มันเกิดเพราะเราออกไปนั่นเองสังเกตแค่นี้เองเราไม่ออกก็คือปิดปิดเลยปิดตายเลยเราก็สบายเลยแล้วสมาธิของเราจะเสื่อมได้อย่างไรการเสื่อมคือการออกการเสื่อมคือการรั่วไหลทีนี้เราไม่ได้รั่วไหลอะไรนี่แล้วเราจะเสื่อมได้อย่างไรอันนี้หลาสาธุชนทั้งหลายว่า เรามองกันง่ายๆว่าการล้วนไหลของจิตนี่เองเป็นเพื่อความไม่ตั้งมั่นเลยเป็นเพื่อความส่งเสริมจะนั้นการที่เห็นจิตเกิดดับเกิดดับแล้วไปนยนั่นคือเขาทํางานอยู่แล้วเรายังไปส่งเสริมให้เขาทํางานยิ่งๆขึ้นไปอีกหรือกีเด่นมันก็อ้วนใหญ่สิไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ความเห็นเป็นผิดมากความเห็นถูกก็คือการทํำลายเสีย ถามว่าจิตไปอย่างนั้นกับจิตไม่ไปเนี่ยอันไหนดีกว่ากันล่ะก็จิตไม่ไปน่ะดีกว่าแล้วดีกว่าไม่เอาดีกว่านั้นเลยที่เขาเอาไม่ได้หรือเขาไม่ไปเพราะไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยไม่ไปถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเห็นจิตอย่างเดียวเอาจิตเห็นจิตอย่างเดียวดูที่จิตอย่างเดียวเกิดดับอยู่ที่จิตแล้วก็ดูอะไรอยู่ที่จิตไม่ได้สนใจเรื่องกายนี้เลยเนี่ย สักกายะจะมีไหมล่ะสักกายะที่ติจะมีไหมล่ะแล้วสักกายะไม่มีกรมราคะจะหมดไปไหมล่ะกรมราคะจะหมดได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยว่าโสดาบันสกิทาอนาคาจะไม่มีเลยจะเกิดไม่ได้เลยคือคือคือมันไม่เข้าทางนะ่ะ เพราะอะไรเพราะเขาละเว้นเสร็จแล้วซึ่งการพิจารณากรรมฐานห้านี้ไม่ใส่ใจที่จะทำแล้วไม่สนใจว่าจะต้องทำแล้วจะเกิดการละสังโยตได้อย่างไรก็น่าคิดนะฉะนั้นที่วันนี้ได้มาเอาสังโยชนิยธรรมหรือสังโยติบ ม, มาชี้แจงว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดของการถูกต้องแล้วก็วัดถึงความเป็นพระญคแต่ละอย่าง ก็คือสังโยชนิสิบนี่เองเป็นตัววัดแล้วสังโยชน์สิบนี่เองต้นยังไงกลางยังไงปลายอย่างไรก็ชี้แจงมาแล้วว่าต้นก็คือกรรมฐานห้ากลางก็คือสกรรยายยทิฏฐิปลายก็คือละกามลาคะแล้วละอวิชาตัณหาอุปทานเสสิน้นเขาเรียกว่าเป็นเครือเดียวกันเป็นเป็นไม้พันเดียวกัน เป็นซึ่งกันและกันที่จะเป็นไปได้เมื่อเม็ดมะม่วงมีต้นมะม่วงก็ต้องเป็นต้องต้องงอกมาต้องมีหมาเมื่อต้นมะม่วงมีมาต่อไปก็ออกผลมะม่วงได้แน่นอนการที่เร า, าวางสายพันธ์อะไรไว้สายพันธ์นั้นต้องมีการต่อเนื่องการที่เราพิจารณากรรมฐันห้าก็า 5, กบ่งบอกถึงการละสะกายะนั่นเอง การลัสกายะนั่นเองบ่งบอกถึงการละกามละกามมาลาคะนั่นเองการละกามมาลาคะนั่นเองก่อให้เกิดการหลุดพ้นได้โดยชอบก็เกิดขึ้นเป็นไปได้ไมไม่ได้เลยว่ากรรมฐานห้าไม่มีจะมีสกายะเมื่อสกายะไม่มีจะมีการละกามมาลาคะเมื่อลกะกามมาลาคะละไม่ได้แล้วจะทำให้วิชาและวิมุตจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็น่าคิดนะเพราะว่าเขาเป็นเครือเดียวกันสายพันธ์เดียวกันแต่เราละเว้นเสร็จแล้วฉะนั้นเป็นไปนไม่ได้เลยว่าการแสดงธรรมที่จะเว้นเสียซึ่งกายนี้เนี่ยมันเว้นไม่ได้เพราะว่าเป็นเกณฑ์บังคับของการไปนะบางคนบอกว่ามาอีกแล้วพิจารณากายอีกแล้วอาจารย์องค์นี้ <c oughs> น่าเบื่อเหลือเกิน เทศทั้งวันทั้งคืนเนื้อกายนั่นแหละเนบื่อฟังแล้วเบื่อยังไงได้ถ้าเบื่อก็จะไม่เทศแล้วเนาะไม่เทศเราจะได้เลยเนี่ยแต่ก็ฟังไม่เบื่อนะกี่วันกี่คืนกี่ปีมาแล้วเนี่ยยังไม่เบื่อเลยร่างกายเดียวนเนี่ยคนยังแน่นอยู่เลยนะ แสดงว่าใช่ได้นะทีนี้การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยความถูกต้องเนี่ยต้องต้องมองเขาเรียกว่ามองฐานล่างถึงเบื้องบนเลยนะแล้วก็ย่างดูเวลาทำแล้วเราย่างเชิงดูแล้วย่างดูก็รู้ไม่ใช่ว่าคนจะต้องบรรลุกว่านถึงว่ารู้ว่าถูกผิดไม่ใช่นะเริ่มย่างก็เริ่มรู้แล้ว ยาของหมอเนี่ยถ้าเราป่วยอยู่เนี่ยไม่ได้กินทั้งหมดหรอกกินไปบางส่วนก็รู้แล้วว่ามันมันจะมีแววหายไหมใช่ไหมล่ะสมมุติว่าหมอให้ยามาเนี่ยกินยาชุดนี้นะต้องกินเป็นปีนะถึงจะหายแต่เรากินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าหายจริงต้องมีผลออกมาบ้างแล้วนะ่ะเขาเรียกว่าบ้างแล้วมันต้องมีผลบ้างอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้ละสังโยชน์ก่อนถึงมารู้ว่าผิดถูกไม่ใช่ เรายัางเชิงดูก่อนสิละอย่างไปสักระยะหนึ่งสิแล้วเราจะรู้ว่าถูกหรือไม่ฉะนั้นไม่ได้ไหมายถึงว่าเราต้องทําทั้งหมดเป็งั้นเสียเวลาแน่เลยเราจะต้องรอเป็นปีก่อนถึงจะมารู้ว่าโรคหายหรือไม่คงไม่รอขนาดนั้นหรอกถึงจริงแล้วเนี่ยเขาจะจะหายจริงๆนะเขากินเป็นปีอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเราเริ่มนิดหน่อยบ้างแล้วเนี่ยมันก็มีผลออกมาแล้วบีว่แววมันก็ต้องฉายออกมาสิ ที่นี้การกระทําอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เนี่ยเราทําดูมันก็ฉายแววให้เราเห็นว่าเออถูกหรือไม่กรรมฐ า, านบทอื่นเราทํามาหมดแล้วนี่ที่มานี่นะมาาันตันหมดแล้วนะที่อื่นไม่มีที่ไปแล้วนะเขาเราียกไม่มีที่ไปแล้วอ่าแล้วก็เล่ล่อนแล้วล่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจนสุดท้ายก็เกาหัวแล้วล่ะไม่รู้จะเอาทางไหนเอเขาก็ว่าดีนะเราทําก็ยังยังไงก็ ย, งยังยังมีอยู่นั่นเนี่ย ขันจะบอกว่ามีก็ขายหน้าอีกก็เลยเก็บความลับไว้อย่างนั้นแหละหาไม่เจอหาทางออกไม่ได้นะอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือทางออกซึ่งบอกไม่ได้กำมือไว้เลยนะแบเลยนะบอกเต็มๆ เ, เลยบอกให้หมดได้เลยบอกหมดทุกครั้งแหละอันนี้ความจริงก็แสดงธรรมจบไปตั้งแต่สาวีสามแล้วนะอันนี้ก็ไปกินอากานะเนาะถ้าเกิดว่า ตรงเป๊ะจบเลยเนี่ยเหมือนกับว่าแหมไม่ไม่ฟิตเหลือเกินจะเลยสับเพเหระบ้างทายทายนี้ก็เหลือนาทีสุดท้ายแล้วนะนตีสามครึ่งพอดีก็ถึงวาระสุดท้ายก็แสดงทำมาตามลำดับแสดงไปจนไม่มีอะไรจะแสดงอ่ะไม่รู้จะเอาหมวดไหนขึ้นมาวันนี้ก็ตลอดรอดหวังนะจบด้วยดีก็ไม่รู้ว่า จะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนซ้ำกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซ้ำกลอนบ้างหรือเปล่าก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียดีก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพูะเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ